ของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งพิชฌณีสําคัญว่าไม่ใช่ของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งให้แลกเปลี่ยนของอย่างอื่นต้องอบัตินิสกิยาปาจิตตีพิชฌณีได้ของที่สละแล้วคืนมาพึงรวมกับปัจจัยที่เขาถวายไว้ทุกทุกกดไม่ใช่ของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างพิชฌณีสําคัญว่าเป็นของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งต้องอบัตทุกกฏ ไม่ใช่ของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งภิกษุณีไม่แน่ใจต้องอบัตทุกฏไม่ใช่ของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์ <st oren Christine> แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งภิกษุณีสําคัญว่าไม่ใช่ของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งไม่ต้องอบัติ